วันนี้ครบรอบปีเหตุการณ์เ11กันยาเหตุการณ์นี้นะมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักหรือไม่ได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะเพราะว่ามันส่งผลกระทบกระเทือนนะไปทั่วไม่มีประเทศไหน ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะแต่ว่ามันยังได้บอกอะไรหลายอย่างนะเกี่ยวกับมนุษย์เราเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วนะสาปีแต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะจำได้ว่า ไอตอนที่ได้ยินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนนั้นตัวเองอยู่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่บนรถอยู่ในวัดหรือว่ากำลังเดินทางอยู่ น, นเชื่อแนวว่าทุกคนจำได้แล้วก็คงจะเหมือนกับเหตุการณ์ที่หลวงพ่อได้ ละสังขารไปเชื่อว่าผ่านไปสิปี20ปีแล้วคงจะระลึกได้ว่าตอนที่ได้ยินข่าวครั้งแรกนี่เราอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเวลาไหนเพราะามันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผล น, นะต่อความรู้สึกของเรามากคงจะลืมไม่ได้ง่ายง่ายอสุรกายานี่ก็เช่นเดียวกันมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่า ตึก2ตึกนี้มันถล่มได้ไม่ใช่เพราะโดนระเบิดหรือว่าโดนจรวดพุ่งชนนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเครื่องบินโดยสารซึ่งน่าจะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่มันก็ชื่ให้เห็นว่าคนเรานี่เมื่อมีความโกรธมีความเกลียดแล้วนี่ อะไรอะไรก็สามารถจะเป็นอาวุธสามารถจะกลายเป็นสิ่งทําลายล้างได้อย่างที่เราทราบกนดีคนที่เขาขับเครื่องบินชนตึก o r l d t r a d e เขาก็มีอาวุธไม่เท่าไหร่นะแต่พอเขาสามารถที่จ ะ, ะยึดที่นั่งคนขับได้นี่ก็สามารถจะเปลี่ยนเครื่องบิน ให้กลายเป็นขีปนาวุธได้คือพุ่งชนตึกจนกระทั่งตึกมันพังพินาศคนตายก็สามพันกว่าคนแล้วก็ส่งผลกระทบไปลูกโซ่กว้างไกลถ้านับดูแลนิคนที่ตายสืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้น่าจะหลายแสนเผลอๆจะเป็นล้านเลยซ้ำ เพราะว่ามันก็นำไปสู่สงครามที่ตามมาในอัฟก า, านิสถานในปากีสถานในอิรักแล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงตะวันออกกลางซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์ลามไปถึงแอฟริกาไนะรเบเรียนะซูดาน อีกหลายประเทศทีเดียวนะที่ตอนนี้กําลังสู้อลบค่าฟันกันอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์นี้แหละสิกันยารวมถึงที่ภาคใต้ของเราภาคตะวันออกเรียงใต้ภาคาใต้นี่ตายไปเป็นห้าพกว่าคนหกพันแล้วมั้งนเฉพาะช่วงตั้งแต่ปีสีเจอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์11กันยาเหมือนกัน มันกระทบกล้ง่งไก ล, ากลามากทีเดียวทั้งหมดนี้ก็เป็นพ่อความโกรธความเกลียดที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจผู้คนอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยื่อมีความโกรธความเกลียดแล้วมันก็สามารถจะทำอะไรให้เป็นอาวุธได้เครื่องบินที่เขาใช้ขับในทางที่ ไม่ใช่ลบพุมงก็สามารถจะใช้เป็นขีปนาวุธถล่ทมทลายตึกได้มีคนก็พูดไว้ว่าคนเราเนี่ยทุกคนนี่ก็เหมือนกับจรวดที่ยังไม่จุดชนวนคนเราทุกคนเนี่ยโดยเพราะในความหมายที่เป็ปตุตชนนะทุกคนเลยเนี่ยเปรียบเสมือนกับจรวดมันก็ระเบิดที่ยังไม่ได้จุดชนวนแต่มันพร้อมที่ระเบิดใส่ผู้คนได้ อะไรที่จุดชนวนให้ระเบิดได้นะก็คือความโกรธความเกลียดเมื่อมีความโกรธความเกลียดแล้วนิมก็สามารถที่จะเข็นฆ่าทำร้ายคนได้แม้กระทั่งคนใกล้ชิดเช่นสามีหรือภรรยาข่าวก็เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่านะสามีทาร้ายภรรยาถึงตายหรือภรรยาก็ทำร้ายสามีถ้าไม่มีปัญญา ทำร้ายก็ไปจ้างคนมาฆ่าบางทีพี่ก็ฆ่ า, าน้องน้องก็ฆ่าพี่อันนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรอื่นนะแต่เป็นเพราะความโกรธความเกลียดพอโกรธเกลียดแล้วนี่ทุกคนก็กลายเป็นระเบิดที่พร้อมจะสังหารใครก็ได้อาจจะไม่ได้สังหารถึงตายนะแต่ว่าทำร้ายจิตใจด้วยคาพูดด้วยการกระทา แต่แต่ไรที่ยังไม่ทําให้ใครตายนี่มันก็มีโอกาสแก้ตัวนะมีโอกาสแก้ตัวกลับมาคืนดีกลับมาเป็นมิตรกันได้แต่ว่าถ้าทําให้ใครตายแล้วนี่มันมันสายเกินไปหน้าที่จะทำให้เกิดการคืนดีกันได้เหตุการณ์สะบ็ดกันยายมันก็มันสะท้อนเห็นหนึงเนี่ยว่าคนเรานี่มันเป็นระเบิดที่ยังไม่ได้จุดชนวนโดยแท้เลย ถ้าโกรธเกรยียดเมื่อไหร่นะก็สามารถจะสร้างความชิดหายให้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องมีอาวุธมันก็ทำให้สิ่งธรรมดาธรรมดากลายเป็นอาวุธขึ้นมาได้จริงเรื่องนี้นมันก็เชื่อเห็นเลยวนะว่าความรุนแรงนี่มันไม่ใช่คำตอบเลยอย่างเช่นพอสหรัฐอเมริกาเจอเหตุการณ์สเปกัญยาก็ แก้แค้นตอบโต้โดยการไปถลม่มอัฟกานิสถานไปถล่มอิรักนะจับซัดดัมฮุดเซนมาประหารชีวิตแล้วมันจบั้ยก็ไม่จบนะมันก็เท่ากับเป็นการปลุกกระตุ้นแล้วให้ <c oughs> ชาวมุสลิมจำนวนมากนี่ซึ่งเคียดแค้นชิงชังนะก็ตอบโต้ถ้าไม่มีไม่มีอาวุธอะไรมากมายก็ ทำตัวเป็นระเบิดพรีชีพเลยระเบิดพรีชีพนี่มันก็แสดงให้เห็นล้ว่าเนี่ยมันยิ่งกอดย้ำว่าคนเราทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นระเบิดที่สามารถจะทำลายใครก็ได้ไม่มีอาวุธอะไรมากก็เอาแค่ระเบิดก็พอติดตัวสามารถจะไปถล่มตึกทั้งตึกถล่มเครื่องบินถล่มสนามบินให้พังพิ น, นาศได้แล้วก็สุรมบตงมือกันอย่างนี้แหละนะ ฝ่ายตองก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกถูกกระทําก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้แค้นพวกที่เอาเครื่องบินไปชนตึก World Trade Center อนี่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้กระทำนะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทําเขาถูกกระทําเพื่อร่วมชาติเขาถูกรรถกระทําเขาก็ต้องตอบโต้ทุกฝ่ายก็คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทํา แล้วภาชนาก็ต้องแก้แค้นพอแก้แค้นไปอ e ีฝ่ายหนึ่งถูกแก้แค้นก็รู้สึกว่าตัวนี้ต้องตอบโต้แล้วก็เลยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาจนไม่จบสักทีแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นที่บอกตอนนี้มันก็ไม่ได้จบแค่อัฟกานิสถานปากีสถานมันระบาดไปอิรักมันระบาดไปซีเรีย ระบาดไปเลบานอนระบาดไปตะวันออกกลางระบาดไปแอฟริกาแล้วก็มันยังคอยโผรมาเป็นครั้งคราวในอังกฤษบ้างสเปนบ้างอเมริกาบ้างไม่จบไม่สิ้นสักทีอันนี้แหละหนะ้าที่ผู้เจ้าตัดไว้นะเป็นสัจธรรมความจริงมา2 0 0พกว่าปีแล้วนะวเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร น, นะแต่ระงับโดยการไม่จองเวร ถ้ามาดูในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็โรดล้ว แ, แต่เป็นเพราะเปรียการทําเพียงกับเขาอย่างอเมริกาเนี่ที่ถูกบิลเเดนเล่นงานบิลเลเด น, นเป็นใครบิลเเดนก็เคยได้รับการฟูมฟักจากอเมริกาพอบิลเเดนนี่เขาไปไปก่อสงครามกับรัเสเซียรัเสเซียมาไปยึดครองอัฟกานิสถานบิลเลเดนก็ไป ไปต่อสู้เพื่อขับไล่รัสเซียจากอัฟก า, านิสถานบิลเดนนี่ก็ไม่ค่อยมีอาวุธอะไรมากสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนให้ทุนให้อาวุธบิลเดนในการสร้างกองกาลังขับไล่รัสเซียจนสําเร็จนะแลเป็นไงบิลเดนในสุขการปืนที่ได้รับจากอเมริกานี่แหละเอาอาวุธที่ได้รับจากอเมริกานี่แหละมาใช้ในการถล่มอเมริกาซะเอง อันนี้เรียกว่าให้ทุกแก่ใครทุกนั้นถึงตัวนะไปสนับสนุนใครให้ไปกาะกมทําเข็แก่คนนั้นคนนี้ไอคนนั้นแหละนะสักวันหนึ่งมันจะกลับมาย้อนมาทำลายตัวเองอันนี้มันเป็นมันสอนสัจธรรมความจริงเลยนะมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเมืองแต่มันสอนสัจธรรมความจริงนะเกี่ยวกับเรื่องก ร, รมเรื่องเวรเรื่องความรุนแรง ไปก่อกรรมทำเียนแก้ไขในที่สุดก็ต้องรับกรรมนั้นเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ไม่เข้าใจก็จะต้องตอบโต้แก้แค้นแล้วมันก็เกิดการตอบโต้กลับมาหุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิน้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มชนเท่านั้ น, นแต่ว่ากับบุคคลก็เป็นเช่นเหมือนกันเวลาเราทำ ก่อคำทำเขียนกับใครไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทําในสุดก็ต้องรับกรรมนะจากการกระทํานั้นมันเหมือนอะไรเหมือนบูมแมล่งนะเบี่ยงไปในสุดบูมแมลงก็เบี่ยงกลับมากดแห่งกรรมนี่มันเป็นกดแห่งกา ร, รสะท้อนกลับทําชั่วกับใครไว้นะความชั่วนั้นก็ย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเองแต่ถ้าทํา ความดีกับใครความดีนั้นก็ย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเหมือนกันสร้างทุกเหตุให้กับใครทุกนั้นก็กลับย้อนกลับมาถึงตัวแต่ถ้าสร้างความสุขให้กับใครความสุขนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราพระเจ้าแต่ว่าผู้ให้ความสุขย่อมแต่ละความสุขในทางตรงข้ามนะไปสร้างความทุกข์กับใครนะความทุกข์นั้นก็กลับมาถึงตัวเองเหมือนกัน นี่มันมันสอนสะท้อนสัจธรรมได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวพุทธนี่นะเมื่อเราเจอเมื่อเราเจอความทุกข์จากการกระทาของใครก็ตามการตอบโต้นั้นไม่ใช่วิธีการของชาวพุทธแต่ว่าต้องถ้าจะตอบโต้ก็ไม่ใช่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะแต่ตอบโต้ด้วยความดี เรียงน้อยก็ไม่ตอบโต้เวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตนี่จองเวกับพระพุทธเจ้ามากเลยนักก่อคำทำเขียงแก่พระพุทธเจ้าอาทิแรกก็มีความมากใหญ่ไฟสูงอยากจะปกครองคณะสงฆ์สืบต่อจากพระพุทธเจ้า ขอพุทธเจ้าวันเนี่ยจะขอปกครองแทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธนะบอกว่าแม้แต่โมคะลานสาริบุตรพระองค์ก็ยังไม่ได้มอบหมายให้ปกครองคณะสงฆ์เลยนะและจะมอบหมายให้ท่านใช้ว่าซากศพนะากศพอย่างเธอนี่ปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างไรเพราะว่าพระเทวท่านนี่ พฤติกรรมก็ก็สอสแสดงว่าไม่เป็นคนที่ไฟมักใหญ่ไฟสูงติดในลาบสักการะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วพระองค์ก็จึงไม่ไม่มีความไว้วางใจพระเทวทัก็โกรธแค้นมากก็หาทางที่จะปรงปงะชนพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าถ้าพระเจ้าปรินิพพานหรือสินน้นะชน ตัวเองก็จะสามารถเป็นใหญ่ได้เพราะว่าวางแผนไว้แล้วสร้างแนวร่วมกับพระเจ้าชาตศัตรูนะสับสนัยปพระเจ้าชาติศัตรูนิยึดอำนาจจากพ่อคือพระเจเ้าพิมพิสารอนนี้เป็นนักการเมืองโดยแท้เลยนะพระเทวทัตเนี่ยเราคิดว่าถ้าตัวเองนี่มีได้การหนุดจากพระเจ้าชาตศัตรูก็สามารถจะปกครองนับสงได้ ก็ร่วมมือกันนะพยายามที่จะรอบวงประชนพธิ เ, เจ้าจ้างคนมายิงธนูเพื่อรอบสังหารพระ เ, เจ้าบ้างหรือว่ากลิ้งหินนะเพื่อที่จะทับพระองค์บ้างใครที่ไปเขาคิชโกด์นะมักุเทกคงจะชีนะ่ะว่าตรงไหนเป็นจุดที่พระเทวทัตนี่กลิ้งหินใส่พระ เ, เจ้าแต่ว่าไม่ ไม่สำเร็จผลพระองค์ก็เพียงแต่ได้รับเศษทิ้นะห่อพระบาทห่อเลือดห่อพระโลหิตที่พระบาทนะก็ยังไม่ยอมแพ้นะก็ยังดด้ลุนขวนขวานะที่จะทำร้ายพืชเจ้าสั่งการให้ช้างนาลคีรีมามาทำร้ายพระองค์แต่ว่าก็ไม่ประสบความสาเร็จ เบลจาก็ใช้พระเมตตานี่นะสะกดช้างนาราคิรีนั่นจเห็นได้ว่าระเทวทัต น, นี่ก็ทำหลายๆอย่างนะแต่ว่าพระองค์นี่ก็ไม่ตอบโต้เลยสุดท้ายนี่ก็สามารถชนะใจะพระเทวทัตได้แต่ว่าก่อนหน้า น, นั้นนี่พระเทวทัตก็ยังไม่ยอมแพ้นะถึงกับแยกตัวออกมาจากแยกตัวแล้วก็แยกคณะสงฆ์ออกมา จากพระพุทธเจ้านี่ก่อสังกเภศเลยในเมื่อรั่วตัวนี้ไม่สามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์ทางพระเจ้าได้ก็ขอเป็นใหญ่ในแบบของตัวคือว่าแยกแยกคณะสงฆ์ออกมามีพระก็หลายร้อยลูปนี่แยกออกมาด้วยความไม่รู้อันนี้เป็นอนันตรียกรรมเลยนะสังกเพทแต่ว่าก็ทำได้ไม่สำเร็จนะ สาก็สามารถที่จะเอาโน้มน้าวพระที่แยกตัวมานีนกลับสู่คณะสงฆ์ได้พระ่เทวทัตเมื่อรว้ตัวเองทำไม่สำเร็จนี่ก็เสียใจมากทำอย่างไรทำไรก็ไม่สำเร็จและถึงจุดหนึ่งก็เกิดความสำนึกผิดขึ้นมาอยากจะไปขอโทษพระพุทธเจ้า ตอนนั้นอ า, าพาธแล้วผิดหวังมากจนป่วยไอฤทิ์ที่มีนี่ไม่ช่วยเลยนะพระเจ้าคุที่มีฤทธิ์เยอะมีอิทธิฤมากแต่ว่าไม่ช่วยเลยเพราะว่าอิทธิฤทธที่มันไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้กลับทําให้มีความทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันทําให้กิเลสเ ฟ, ฟื่องฟูยิ่งกิกเลสมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ยิ่งมากตามมาด้วยผิดหวังจนล้มป่วย ก็ให้พระนี่แหละนะลูกศิษย์เนี่ยช่วยหามไปเพื่อที่จะไปขอขามาพระเจ้าเจ้าอันนี้เห็นเลยนะว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ตอบโต้ด้วยด้วยเวรด้วยการจองเวรแต่พระองค์ก็ใช้คุณธรรมก็สามารถจะทำให้พระเทวทัตในที่สุดสำนึกผิดได้ ถ้าลองนึกภาพพระเจ้าตอบโต้เทวทัตพระเทวทัต น, นี่ด้วยด้วยความรุนแรงหรือว่าด้วยการกันแกล้งแก้แค้นอาจจะไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความรุนแรงแบบโลกโลกนะแต่ว่ า, าทางกีดกันกล่าวประนามหรือว่าขัดขวางพระเทวทัตนี่ก็คงจะเรื่องก็คงจะยืดเยื้อ แต่พระองค์ก็ไม่ทำอย่างนั้นเลยในสุด น, นก็สามารถจะชนะใจพระเทวทัตได้พระเทวทัตเกิดความสานึกผิดขึ้นมาพยายามที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอขอ ข, อ ข, อขอมาแต่ไม่สำเร็จนะถูกทรณสูตรลงนรกแม้กระั้นพู้เจ้าก็พยากรณ์ว่าพระเทวทัตจะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าในอนาคตการ ถึงแม้เลวร้ายยังไงนะส่วนดีก็มีนะโดยเพราะเมื่อมาสำนึกผิดได้ในภายหลังเมื่อสำนึกผิดได้ในภายหลังก็ก็ทําให้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นพระเทเจ้าในนาคดังนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยเมื่อการที่จะไปจองเวรกันนี่มันไม่ทําให้เวรยุติได้การไม่จองเวรต่างหาก นอกจากไม่จองเวลแล้วเนี่ยอาจจะเอาใช้ความดีและเข้าสู้ด้วยเข้าสู้หมายความว่าตอบโต้ด้วยความดีไม่ใช่แค่ไม่แก้แคนเท่า น, นั้นนะแต่ว่าทาความดีให้กับเขาอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพึงชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนชั่วด้วยความดีพึงชนะ คนตระหนี่ได้การให้พึงชนะคําคําเทศนะ็ศด้วยความสัตด์อันนี้เป็นเป็นเป็นวิสัยของชาวพุทธเลยนะคือนอกจากจะไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแล้วเนี่ยยังหยิบยื่นความดียังหยิบยื่นน้ําใจให้ยังหยิบยื่นความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากนะ แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติมันทำให้เกิดความสงบเป็นเกิดความสันติได้แล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยก็ไม่ควรใช้ไม่ควรทำกับตัวเราเองแต่ว่าควรชักชวนผู้คนหรือหมู่ชนของเราให้ทำกับคนกลุ่มอื่นด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทานีนะ่ควรจะให้ความใส่ใจบางคนอาจจะตั้งใจปฏิบัติแต่ว่าเวลาออกจากการปฏิบัติไปเกี่ยวข้องกับผู้คนไปเจอคนที่เขาใส่ร้ายไปเจอคนที่เขาขัดขวางเลื่อยขาเก้าอี้หรือว่าคดโกง ก็มักจะเผลอนะไปราวีกับเขาไปใช้วิธีการเดียวกับเขาเขาด่าเรามาแล้วก็ด่าเข้าไปเขาใส่ร้ายเราแล้วก็ใส่ร้ายเขาเขาแรงมาแล้วก็แรงไปอันนั้นมันไม่ถูกต้องนะการนักปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมีความกลมเกลือนทั้งระหว่าง การปฏิบัติทางธรรมแล้วกับการใช้ชีวิตทางโลกถ้ามันมีความขัดแย้งกันปฏิบัติธรรมก็สงบสงี่ยมแต่ว่าพอออกจากการปฏิบัติไปดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปหรือไปดำเนินชีวิตทางโลกก็ยังใช้วิธีการเหมือนคนทั่วไปอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องธรรมะนี่มันต้องกลืนกันไป เหมือนกับเรียกว่าไม่มีรอยต่อเลยระหว่างการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตในโลกภายนอกให้เอาหลวงพ่อเป็นแบบอย่างก็ได้หลวงพ่อท่า น, นาเจออะไรหนักๆแรงๆมาเยอะเจอคนที่ไม่เพียงแต่เข้าใจผิดนะแต่ว่าใส่ร้ายโจมตีท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่า คนที่หวัดระแวงอย่างทหารป่าที่มาราดตะเวนแถวนี้นะเมื่อสักสามสิบสี่ปีก่อนหลวงพ่อนี่ไม่ใช่ท่านเจอแค่นี้นะเวลาตอนที่ท่านรักษาป่าเนี่ยก็เคยนะโดนพวกทําไม้นี่ยิงปืนขู่ท่านมาแล้ว ช่วงสี่สักสี่สิปีก่อนใที่นี่มันก็มีการทำไม้นะได้สัมปทานหลวงพ่อท่านก็พยายามที่จะสงวนรักษาพื้นที่แถวเนี้ยไว้ไม่ให้เป็นป่าขอร้องเข้าอยออย่าตัดเลยนะท่านก็พยายามอยู่กับหลวงพ่อบุญธรรมก็เช่นเดียวกันก็พยายามช่วยกันรักษาพื้นที่ตรงเนี้ไว้ให้เป็นป่า แม่เขาตัดแต่เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็พยายามตัดพยายามเรื่อยนะแต่พอท้านราวว่าน์เคยไปขวางเอาไว้เขาไม่พอใจมากเนี่ยยิงปืนใส่เลยนะยิงปืนขู่ท่าบอกบอกรถต้นไม้ในบนเนื้อศีรษะท่านร่วงมันล่ว ง, วงกราวเลยยิงปืนขู่เนื้อศีรษะเฉียศีรษะไปแต่ท่านก็ไม่หวั่นเกรงนะ ท่านก็ไม่ได้โกรธเขาก็เพียงแต่ขวางเอาไว้เท่านั้นแหละไม่ได้คิจดจะด่าหรือโจมตีเขาแต่ว่าขนาดที่ยิงปืนขู่ท่านก็ไม่กลัวใจก็ไม่หวั่นไหวแล้วท่านก็เจอมาเยอะนะแต่ว่าก็ไม่เคยตอบโต้อย่างมากก็อย่างมากก็ล่าถอยหรือว่าหันหลังให้เท่านั้นเอง แต่ว่าไม่มีการไม่มีการไปสู้รบตกมือด้วยมีแต่ใช้ความเมตตาความความใช้ธรรมะนี่นะเข้าสู้นี่เรียกว่าการปฏิบัติของท่านไม่ว่าทั้งในทางธรรมหรือทางโลกก็เป็นเรื่องเดียวกันเราอย่าไปคิดว่าโลกธรรมนี่มันมันเป็นคนละส่วนปฏิบัติธรรมก็เรื่องหนึ่งแต่ใช้ช่วยทางโลกก็เรื่องหนึ่ง ทำมาค้าขายจะกโกงยังไงก็ได้จะโกหกยังไงก็ได้แต่เวลามาปฏิบัติธรรมก็ถือศีลอันนี้มันขัดแย้งกันนะมันก็ดีะนะที่ยังที่ยังถือศีล น, นะศีลห้าศีลแปก็ดีแต่ว่าพอออกจากวัดไปแล้วนะก็ควรพยายามรักษาศีลให้ได้แล้วควรรักษาธรรมให้ได้เหมือนกันทามาค้าขายก็ใช้ความซื่อสัตย์สุสจริต แล้วก็เจอใครนะมามากันแกล้งทำร้ายนะหรือว่ามาเอาเปรียบนะก็ไม่ตอบโต้ในลักษณะาการจองเวรถ้าจะตอบโต้ก็ตอบโต้วโดยการไม่จองเวรหรือว่าหยิบยืน่นน้ำใจหมตรีให้อันนี้แหละเป็นวิสัยของชาวพุทธคำ น, นี้วนะ่าพุท่ะนี้กราบพระ